ตายก็ไม่อยากเย็นแต่เลี้ยงชีวิตเป็นเป็นลำเนอยากข้นตราตรำยากอีกอย่างหนึ่งฟังซึ้งเข้าใจสัต ร, รมพระพุทธเกิดมาชี้นำสอนสั่งสัมสัตว์ปนัย่ตราวไว้ในจิตทางชีวิตมีผิดเป็นกลู อดทนฝึกฝนเรียนรู้ชีพอยู่ต้องสู้ต่อไปผูเขาขวากน้ำเป็นเครื่องก้าวข้ามบันไดอุปสรรคสำคัญยิ่งใหญ่คือใจหมดไฟฝ่าฟันลุกใจตื่นลุกยืนทุกครั้งที่ลมเหน็ดเหนื่อยจากงานสารสม อย่าจมสมหนักพักนานบอกตัวเองว่าใช่ของข้าต้องมีสักวันแสงรุงที่สุดปลายฝันคือวันสำเร็จคงมีกี่เจ็บกี่ปวดกี่รวดกี่ราวยาวนานกี่ท้อที่ทรมานก้าวผ่านมาได้เป็นดี คนที่ล้มแล้วย่ำแย่กว่าเราก็มียืนหยัดมาถึงวันนี้โชคดีที่ยังเป็นคน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 ที่ท้อที่ทรมานก้าวผ่านมาได้เป็นดีคนที่ล้มแล้วย่ำแย่กว่าเราก็มียืนหยันมาถึงวันนี้โชคดีที่ยังเป็นคน